เจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรรมยาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายเวลาวา่างจะพาระกิจการาต่างๆ ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสี่งและมาฟังเทศน์ฟังธรรมโดยเฉพาะการฟังธรรมนี้เป็นการเสริมสติปัญญาบารมีให้ฉลาดแหลมคมให้เป็นเครื่องดือนำทางของชีวิตให้ไปสู่ความสุข และความเจริญคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างมหาศาลถ้าผู้ฟังสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าทรงเหตุทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นผลและเหตุคือสิ่งต่างๆ ที่พวกเราปรารถนากันเช่นความสุขความเจริญไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมไม่ว่าจะในทางทำมาหากินอาชีพหรือการศึกษาเรื่มเรียนเป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ่านที่เราจะทำเหตุของเราให้มีประสิทธิภาพให้สามารถยังผลให้เกิดได้เกิดขึ้นมาได้เราจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอนดังนั้น เหตุที่จะทำให้เราประสบ ก, กับความสำเร็จนี้อยู่กับคุณธรรมสี่ข้อก็คือหนึ่งฉันทะแปลว่าความยินดีสวิรยิยะแปลว่าความภาคเพียร 3. จิตตาแปลว่าความจดโจ่ผูกพันและสคือความคิดค่าควร ถ้าเรามีคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะประสบกับความสำเร็จ อ, อย่างแน่นอนเราไม่ต้องไปกราบพระขอให้พระช่วยให่เราเช่นเราอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยหรืออยากจะเรียนจบชั้นใดก็ตาม ความสาเร็จนี้ไม่ได้อยู่ที่การขอพอรอจากผู้อื่นเพราะผู้อื่นไม่สามารถทำหน้าที่ของเราได้เราต้องทำหน้าที่ของเราด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็คือเราต้องมีความยินดีที่จะทำหน้าที่ของเราเราจะต้องมีความภาคพภพูมิ มีความขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของเราให้สาเร็จนุ่ง เ, เรื่องไปใจของเราจ้างจดจ่อผูกพันธ์อยู่กับหน้าที่ของเราและความคิดของเราต้องคิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราเพียงอย่างเดียวนี่คือคุณธรรมสี่ประการเรียกว่าอิทธิบาทสี่ คำว่าอิทธิบาสีนี้แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสาเร็จอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางผู้ใดก็ตามถ้ามีอิทธิบาสีจะสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทรงมีอิทธิบาสี จึงทำให้พระองค์ได้ตัดสู้เป็นพระอาหารหันตสตามมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาได้พระองค์มีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมมีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมีใจที่จดจ่ออยู่กับการศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ไปทำอย่างอื่น ทแต่เรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวความคิดไข้ควรก็คิดไข้ควรยู่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจของเรามีที่บากสี่รับรองได้ว่าผลต่างๆย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนพวกเราก็สา ม, มารถประสบความสาเร็จในสิ่งต่างๆ ที่เราปรารถนาได้ถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราอยากจะเรียนให้จบได้ประนิญาขอให้เรามีอิทธิบาทสีนี้เถิดขอให้เรามีความยินดีมีความพอใจกับการศึกษาเล่าเรียนขอให้เรามีความกยันหมั่นเพียรไปโรงเรียนไม่หนีเรียนเวลาครูอาจารย์สอน ก็ตั้งใจฟังขยันทําการบ้านขยันอ่านหนังสือนี่คือความเพียรแล้วเราก็มีใจจดจอ่อผูกพันอยู่กับการเรียนจะไม่ไปเล่นไปดูทีวีจะจดจ่ออยู่กับการเรียนการทําการบ้านการตั้งใจฟังเวลาที่อาจารย์นุก๊กครูสอนในห้องเรียน ไม่ใช่นั่งเล่นกันคุยกันใจจดจอ่ออยู่กับเสียงของครูของอาจารย์นั่งใจฟังแล้วก็ความคิดของเราก็จะไม่คิดไปเรื่องอื่นจะคิดอยู่กับเรื่องการเรียนเรื่องการทำการบ้านเรื่องการไปโรงเรียนไม่คิดไปเที่ยวไม่คิดไปเล่นไม่คิดไปทําอะไรอย่างอื่นนี่คือ ถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาวผลย่อมปาเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนอยากจะจบปริญญาเอกก็จบได้อยากจะจบปริญญาโทก็จบได้อยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้อยากจะเป็นหมอก็เป็นได้อยากจะเป็นนายกก็เป็นได้อยากจะเป็นประธานาธิบดีก็เป็นได้ ถ้าเรามีอิทธิบาทสิ่งนี้อยู่ภายในใจของเรายกเว้นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่มีสิ่งมีอันเดียวแต่มีคนหลายคนต้องการเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องแข่งขันกันถ้าคนไหนเก่งกว่าคนนั้นเขาก็ได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เราก็หาสิ่งอื่นก็ได้ เราหาสิ่งที่ไม่ต้องมีการแก่งแย่งกันก็ได้สิ่งที่เราสามารถหาโดยที่ไม่ต้องแก่งแย่งกับผู้อื่นได้ก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีการจํานวนจํากัดมีผู้ต้องการกี่คนก็สามารถรับได้ทุกคนไม่เหมือนกับการไป ต้องการตำแหน่งเช่นอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ก็มีเพียงตำแหน่งเดียวก็ต้องรอกันไปก่อนหรือต้องแข่งขันกันใครเป็นคนที่เก่งกว่าคนนั้นก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นการแข่งขันในสิ่งที่ไม่มีจำนวนจำกัดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับได้ เช่นการได้รับบริญญาขั้นต่างๆอันนี้ไม่มีจํานวนจํากัดทุกคนมีสิทธิที่จะรับได้ถ้ามีอิธิบาทีมีความยินดีมีความเพียรมีใจจดจอ่อมีใจไข้โค้นคิดอยู่กับงานที่เราต้องทํากันเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนากัน การไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เป็นการเข้าใจผิดถ้าขอได้ฝ่ายนี้พวกเราก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันไปหมดเป็นนายกรัฐมนตรีกันไปหมดแต่การข อ, อนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะพุทธศาสนาคือพ ร, พ, พระพุทธเจ้า ไม่เคยสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนไปขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเวลาเรากราบพระแล้วเราก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าขอได้แบบนี้เราก็สบายเป็นานแล้วเราก็เป็นมาเห็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วหรือถ้าอยากจะไปนิพพานก็ได้ไปนิพพานกันหมดแล้วขอไม่ได้ เช่นเวลาย่ามโยนใส่บาทแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ไปถึงพระนิพพานอย่างนี้ก็ไปไม่ได้การที่จะไปพระนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่การใส่บาตรเพียงอย่างเดียวต้องอยู่ต้องมีอย่าง อ, างอื่นอีกคือนอกจากทำทางแนละ้วเรายังต้องรักษาศีลเรายังต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญา เราถึงจะไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับการอารธิษฐานว่าพบหน้าชาติหน้าขอให้ได้ไปเกิดไปเจอกันอีกอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราขอเฉยๆวิธีที่เราจะไปพบกันในพบหน้าชาติหน้านั้นพระพุทธเจ้าสนับว่าเราต้องทำบุญเท่าๆกันทำทานเท่ากันรักษาศีลเท่ากัน นั่งสมาธิเท่ากันปฏิบัติธรรมเท่ากันเหมือนกับรถสองคันที่วิ่งไปด้วยกันรถต้องวิ่งมีความเร็วเท่ากันถึงจะไปถึงที่เดียวกันพร้อมกันได้ถ้าคันหนึ่งไปเร็วกว่าคันนั้นคันหนึ่งไปช้าวกว่าก็จะไปไม่ถึงที่เดียวพร้อมกันหรืออาจจะไม่ได้ไปถึงที่เดียวกันก็ได้เพราะคันหนึ่ง คันที่ช้ากว่าอาจจะตามคันที่เร็วกว่าไปไม่ได้พอไม่เห็นคันที่เร็วกว่าก็เลยไม่รู้ว่าคันที่เร็วกว่านั้นไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงไปก็อาจจะไม่ได้ไปถึงที่เดียวกันฉันใดถ้าเรามีความรักมีความผูกพันกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเราอยากจะไปเกิดในชาติหน้าไปเจอันอีก เราก็ต้องทำบุญให้เท่าๆกันทำทานก็ทำให้เท่ากันรักษาศีลก็รักษาให้เท่ากันนั่งสมาธิก็ต้องนั่งให้เท่ากันเจรินปัญญาก็ต้องเจริญให้เท่ากันถ้าทำอย่างนี้เท่ากันโอกาสที่จะไปเกิดแลวไปเจอกันในภพหน้าชาติหน้าก็มีเป็นไปได้แต่การมา ขออธิษฐานจากพระสิงห์สังเสิ์ว่าพบหน้าชาติหน้าขอให้เกิดแล้วได้เจอคนนั้นคนนี้อีกหรือขอให้ได้เจอพระพุทธศาสนาอีก mm hmm. การขอนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้การขอให้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาทุกทกชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า จนเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าเราบรรลุพระโสดาบันแล้วเราจะมีพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในใจของเราเราไปเกิดภพไหนชาติไหนไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับมีเพราะเรามีศาสนาติดไปกับใจของเราถ้าเราอยากจะไปเกิดภพหน้าชาติหน้าหรือเกิดทุกภพทุกชาติ ให้ได้มีพระพให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นพระโสดาบันต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินี้เพราะสารพระพระโสดาบันนี้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือผู้ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจนั่นเองธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรม ก็แสดงว่าเรามีเรารู้ธรรมเรามีธรรมอยู่ในใจของเราถ้าเรามีธรรมอยู่ในใจของเราไม่ว่าใจของเราจะไปที่ไหนเราก็ใจก็จะมีธรรมติดตัวไปได้เสมอติดตัวไปด้วยเสมอไม่เหมือนกับพวกเราตอนนี้ที่ฟังธรรมกันแต่ธรรมนี้ยังไม่เข้าไปในใจยังไม่สามารถทําให้หูทาให้ใจเราสว่างสวัยได้ เรายังไม่เห็นอริยสัจสี่เรายังไม่เห็นทุกน้องไม่เห็นสมุทยัยไม่เห็นนิโรธไม่เห็นมรรคที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเรายังถูกความมืดบอดคือความหลงครอบงำอยู่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็ยังมีเมฆหุ้มห่ออยู่ทําให้เราไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ ถ้าเราอยากจะเห็นดวงอาทิตย์เราก็ต้องกําจัดเมฆที่คูปที่คุ้มดวงอาทิตย์ให้หมดไปฉันใดถ้าเราอยากจะเห็นพระธรรมในใจของเราเห็นพระอริยสัจสีภายในใจของเราเราก็ต้องกําจัดความหลงที่เป็นเหมือนเมฆครอบคุม้มพระอริยสัจสีภายในใจของเราวิธีที่เราจะกําจัดความหลง จากใจของเราไปก็ต้องเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิและเกิดจากการเจริญปัญญาถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้มีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดโมหะความมืดบอดที่ปกปิดพระอริยสัจสี ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้ได้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาที่เราไม่สบายใจทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองมันไม่ได้เกิดจากคนนั่นคนนี้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวขออนุญาตพ่อแม่พอพ่อแม่ไม่ให้ไปเราก็คิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ให้เราไปเที่ยวแต่ความจริงมันไม่ใช่ มันเกิดจากความอยากของเราเราอยากไปเที่ยวเองพอไม่ได้ไปเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวต่อให้พ่อแม่ชวนไปเที่ยวก็ไม่อยากจะไปอยากจะอยู่บ้านนี้ชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปอยู่ดีแต่เราไม่เห็นกันเวลาเราไม่สบายใจเรามักจะไปโทษคนอื่นโทษคุณพ่อโทษคุณแม่โทษพี่โทษน้อง โทษคนนั้นโทษคนนี้เราไม่เคยเห็นเลยว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองเวลาเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็เสียใจเราก็โกรธโกรธคนที่มาขัดขวางเวลาเราจะได้อยากจะได้อะไรแล้วคนอื่นมาเอาไปก่อนอย่างนี้เราก็จะโกรธคนที่เอาของที่เราอยากได้ไปก่อน แต่เราไม่รู้หรอกว่าความโกรธของเรานี่เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่อยากได้สิ่งนั้นแล้วต่อให้ใครมาหยิบไปเราก็จะไม่โกรธแต่พอเราอยากได้สิ่งนั้นแล้วมีคนอื่นมาเอาไปก่อนเราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีเช่นสามีของเราภรรยาของเราใครมาเอาไปนี่เราจะโกรธทันทีเพราะเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่นั่นเอง แต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วใครมาเอาไปนี้เราจะไม่โกรธเลยเราจะดีใจสิว่าไปได้ก็ดีอยู่กันแล้วมีแต่ความทุกข์อยู่ไปทำไมเนี่ยคือปัญหาของพวกเราเราไม่เห็นอริยรรสัจสี่อยู่ภายในใจของเราเราไม่เห็นความไม่สบายใจว่ามันเกิดจากความอยากของเราและความ การที่จะดับความไม่สบายใจของเราก็ต้องอยู่ที่หยุดความอยากของเราให้ได้เช่นเราอยากไปเที่ยวแล้วพ่อแม่ไม่ให้ไปเราก็เปลี่ยนใจเสียก็หมดเรื่องไม่ไปก็ได้ไม่อยากไปอยู่บ้านก็ได้เปลี่ยนใจซะพอเปลี่ยนใจปับความไม่สบายใจก็หายไปอยู่บ้านอ่านหนังสือก็ได้ทำการบ้านก็ได้ทา ช่วยพ่อช่วยแม่ร้างถ้วยราวา้างชากวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้ากระดาษให้คิดอย่างนี้แล้วแทนที่อยู่บ้างจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็จะกลับมีความสุขใจขึ้นมานีลาคือสิ่งที่พระโสดาบันจะเห็นทุกเวลานาทีเวลาไม่สบายใจกับเรื่องใดนี้จะไม่ไปโทษเรื่องนั้นจะไม่ไปโทษคนนั้นจะกลับมาโทษตัวเอง ว่าไปอยากเองเชน่นร่างกายของเราพระโสดาบันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายร่างกายจะแก่ก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะพระโสดาบันไม่อยากไม่มีความอยากไม่แก่นื่นอยอมแก่เพราะว่ารู้ว่าห้ามความแก่ไม่ได้ร่างกายนี้เราห้ามไม่ให้แก่ไม่ได้ ห้ามไม่ให้เจ็บใค้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยการห้ามความอยากหยุดความอยากอยากไปมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือพระอริยสัจสีที่พระโสดาบันและพระอริยบุคคลระดับสูงขึ้นไปจะ เห็นกันจะรู้กันถ้าเหล่านี้ท่านจริงไม่มีปัญหากับใครเวลาท่านไม่สบายใจท่านไม่ไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้เพราะท่านไม่ใช่เป็นคนพาลคนพาล น, นี่คือแปลว่าคนโง่คนโง้ก็คือไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของตนนั้นเกิดจากความอยากของตนก็เลยพาลไปโทษคนอื่นพาลไปหาเรื่องคนอื่น แต่พระอาริยบุคคลทุกๆระดับท่านจะไม่มีเรื่องกับใครเพราะท่านรู้ว่าเวลาที่ท่านไม่สบายใจนั้นมันเกิดจากความอยากของท่านเองพระโสดาบันนี้ท่านละความอยากในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ท่านยอมรับความจริงอันนี้ท่านจึงไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตาย ส่วนพระสกิดาคามีกับพระอนาคามีนี้ท่านยังมีความทุกข์อยู่กับการอ า, ารมณ์การอารมณ์ก็คือเห็นคนสวยเห็นคนหลอ่อก็ยังอยากจะได้มาเป็นแฟนอยากจะร่วมดับนอนกับเขาถ้าอยากจะดับความอารมณ์นี้ได้เราก็ต้องมองคนสวยให้กลายเป็นคนไม่สวยไป มองคนหล่อให้กลายเป็นคนไม่หล่อไปเช่นคิดถึงเวลาที่เขาแก่ว่วาเป็นอย่างไรหนังเหี่ยวหนังยุ่นผมขาวหรือคิดถึงตอนที่เวลาเขาตายไปเวลาเขาตายไปแล้วเราอยากจะไปหลับนอนกับเขาหรือไม่นี่คือวิธีแก้ความอารมณ์เวลาเราเห็นคนสวยเห็นคนหลอ่อให้เราคิดถึงเวลาเขาแก่ ที่ถึงเวลาเขาตายว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ว่าเวลาคนตายเป็นอย่างไรก็ไปเยี่ยมป่าช้าดูไปดูเวลาที่เขาล้างป่าช้ากันเขาขุดขุดหลุมเอาศพขึ้นมาให้ดูกันว่านี่แหละคือคนหลอ่อคนสวยที่เราอยากมีความใกล้อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยากจะมีเขามาเป็นแฟนของเรา ตอนนี้อยากจะอยู่กับอยากจะให้เขาเป็นแฟนของเราหรือไม่ mm. นี่คือวิธีแก้การมารมถ้าเราแก้การมารมด้วยการนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามอยู่เรื่อยๆนึกถึงรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามที่น่าเกลียดน่ากลัวต่อไปเราจะไม่มีการมารมเราอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมดทุกข์กับแฟน ไม่ต้องมาห่วงแฟนมาห่วงแฟนไม่ต้องมาเสียใจเวลาแฟนเ้าทิ้งเราไปนี่คือการแก้ปัญหาคือความไม่สบายใจที่เกิดจากการมีการอารมณ์ถ้ามีการอารมณ์แล้วเราจะไม่สบายใจอยู่คนเดียวจะรู้สึกเศร้าสร้อยหน้อยเดา ว, ว้าเวยต้องหาเพื่อนต้องอยู่กั้เพื่อน แต่เราไม่รู้หรอกเพื่อนที่เราอยากอยู่ใกล้นี้ก็เป็นซาบสงดีๆนี่เองเพราะเราไม่คิดถึงเขาตอนที่เขาตายไปแล้วแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆคิดว่าร่างกายของเขานี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลายเป็นซาบสงไปเวลาเป็นซาบสงแล้วเราเรายังอยากจะอยู่ใกล้เขาหรือเปล่านี่คือวิธีแก้การอารมณ์นี่คืออริยรรสัจสี่ของพระ อาณาคารีท่านจะเห็นว่าเวลาไม่สบายใจเพราะเกิดการละลุขึ้นมาถ้าอยากจะหยุดการละลุก็ต้องใช้ใช้ปัญญาคือต้องนึกถึงภาพที่รูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงาม น, นึกถึงตาที่เขาแก่นึกถึงตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงตอนที่เขาตื่นมาตอนเช้าๆยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟัน ยังไม่ได้หวีเ้าหวีผมถ้าเห็นหน้าตาแบบนั้นแล้วก็จะไม่อยากเจึาก็จะไม่มีการอารมณ์ไม่เกิดความใครขึ้นมานี่คือวิธีของการแก้ความไม่สบายใจของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆส่วนขั้นผมพระอรหรนันต์นี้ท่านก็ยังมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับการ มีอัตตาตัวตนอยู่ท่านยังถือตัวอยู่ท่านยังถือว่าท่านสูงกว่าคนนั้นเท่าคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นเวลาคนที่ต่ำกว่าไม่ให้ความเคารพเราก็จะไม่สบายใจพงค์เจ้จา ก, ก็ต้องสอนว่าต้องพิจารณาว่าตัวเรานี้คือใจของเรานี้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดแต่ไม่มีตัวตน ไม่มีสูงไม่มีต่ำกว่าใครพวกเราทุกคนมีใจเหมือนกันมีผู้รู้เหมือนกันมีผู้คิดเหมือนกันผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันไม่มีใครสูงกว่ากันต่ำกว่ากันเท่ากันหมดแต่สมมตินี้เขามาสมมติกันว่าคนนี้สูงกว่าคนนี้ต่ำกว่าเรียกว่าเราอยู่ในโลกสมมติกันเหมือนโรงละคร เวลาเล่นละครเขาก็สมมุติให้เราเป็นพระเอกสมมุติให้เราเป็นนางเอกสมมุติให้เราเป็นผู้ร้ายแต่ความจริงเราก็เป็นคนมาเล่นละครกันเวลาเราเกิดมาในโลกนี้เขาก็มีสมมุติให้เราต้องเคารพปกคร อ, องสมมุติเช่นคนที่ให้กําเนิดเราเขาก็เรียกว่าพ่อว่าแม่เราก็ต้องให้ความเคารพ ก, กับพ่อกับแม่ อันนี้เป็นสมมุติเป็นกฎของโลกสมมุติเป็นโรงละครถ้าเราอยากจะเล่นละครอย่างไม่มีปัญหาอยู่ในโลกสมมุติอย่างไม่มีปัญหาเราก็ต้องรู้จักกฎกติกาของสมมุติและปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ภายในใจของเรานี่เราจะรู้ว่าไม่มีใครเป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงพ่อแม่ก็เป็นเกเป็นสมมุติชั่วคราว เวลาร่างกายร่างกายของเขาตายไปแล้วเขาก็ไปเล่นบทใหม่ต่อเขาก็ไปเปลี่ยนลง<ม>เล่นระครลงใหม่ต่อไปเกิดลงใหม่ไปเกิดโลกใหม่มก็ไปเป็นลูกเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกับเกาะกับผู้อื่นใหม่นี่คือความจริงที่เราควรจะศึกษา<ม>เพื่อเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับอัตตาตัวตน อย่าถือว่าตนเก่งตนใหญ่คนอื่นต้องให้ความเคารพคนอื่นต้องอสวามิภักดิ์อย่างนี้ถ้าเวลาเขาไม่ให้ความให้ความเคารพเขาไม่สวามิภักดิ์เราเราจะโกรธขึ้นมาเราจะไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ยึดถือตัว ต, วตนพระพุทธเจ้าสอนให้เรายึดให้ถือตัวเราเป็นเหมือนปัตภีทำตัวเราเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่าอย่างไร ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใครจะอุดจร ะ, ะปัสะสวะสายแผนดินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราต้องทำตัวแบบนั้นถ้าเราไม่ถ้าเราจะไม่อยากจะทุกขกับความถือตัวถือเนื้อถือตัวเราต้องถือว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครจะเหยียบใครจะยัง่งใครจะดุถูกเหยียดย้ำอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหา เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างความสบายใจแต่ถ้าเราถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้ปฏิบัติกับเราสมกับฐานะที่เราเป็นเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะโกรธขึ้นมาได้นี่ก็คืออริยสัจสี่ขั้นสูงสุดก็คือเวลาไม่สบายใจเพราะว่าอยากให้คนนั้นคนนี้ไปช่วย ปฏิบัติกับเราให้ดีให้เคารพเราให้รักเราอย่างนี้เราก็จะเสียใจได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากใครใครจะเคารพก็ได้ใครจะดูถูกเหยียดหยามก็ได้ใครจะชมก็ได้ใครจะด่าก็ได้ถ้าอย่างนี้นะเราจะไม่ทุกข์กับใครใครจะพูดอะไรทําอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ หน่างที่ผู้เจ้าทรงสอนให้กับพระภิกษุณีรูปหนึ่งที่อยากจะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ไม่มีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงถามรถามภิกษุณีนี้ว่าถ้าไปแล้วเขาไม่เคารพเราเขาไม่ศรัทธาเราเธอจะทำอย่างไรเธอก็ตอบว่าถ้าเขาไม่ศรัทธาเราก็ คิดว่าดีแล้วดีที่เขายังไม่ด่าเราแล้วพวเจาประถาน่าถ้าก็าาาาด่าเราแล้วเธอจะทำอย่างไรก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วคนเราเกิดมาไม่ช้ากันเลยก็ต้องตายบางคนอยากจะตายนี่ถึงกับต้องไปจ้างคนอื่นมาฆ่า ถึงกับต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อยาพิษมากินนี่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองถึงเวลาก็มีคนมาฆ่าเราพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เธอไปอยู่ได้เธอไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เธอจะไม่เดืรอร้อนเพราะไม่เธอไม่ถือเนื้อถือตัวเธอไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนี่และคือคือการปฏิบัติของพระ อริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพาาระอรหันต์ท่านนี้อริยสัจสีเป็นตัวคอยแสดงบอกว่าเวลาท่านไม่สบายใจนี้ก็เกิดจากความอยากเกิดจากความยึดติดเกิดจากความหลงต้องมาแก้ที่ตัวเองไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่น เช่นเวลาคนอื่นไม่ศรัทธาก็ต้องพยายามไปเกี่ยวเขาไปจีบเขาให้เขามาศรัทธาเราให้ได้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาดีแล้วเขาไม่ด่าเราเท่า น, นี้ก็จบต่างคนต่างอยู่กันไปนี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างนุ่มเย็นเป็นสุดจะทำอะไรเราก็จะได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอน ถ้าเรามีอิทธิบาทสี่จึงขอฝากเรื่องของการมาเจริญอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิรยิยจิตาวิมังสานีให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบตัติเพื่อความสุขและความเจริญที่ท่านทั้งหลายปรารถนากันที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เหนว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้